มันจะมีอาการอยู่ช่วงหนึ่งที่มันปวดขึ้นมาเป็นระยะระยะจนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะทนไม่ได้แต่ก็คือพยายามที่จะฝืนนะใช้สันติดูมันมผมปรากฏว่าส่วนตรงนั้นมันต้อค่อยๆลงไปอืฟครับแล้วอาการที่เรียกว่าเราเข้าไปแทรกแสงจิตตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างดีขึ้นครับหลวงพ่ออืก็ดีหรหลวงพ่อครับตัวโลพาโทศักดิ์เนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นตัวที่เรียกว่ามันมีอาการคล้ายๆกันหมด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 จะเข้าไปจับลมหายใจได้มากขึ้นแล้วขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยบางครั้งจิตก็มาจับอยู่ตรงนี้บางคร<ม>ั้งจิตก็มาจับอยู่ตรงตาบางทีก็มาจับตรงช่วงลมหายใจบางทีก็ซึ่งบางทีก็หลงอีกแล้วหลงอีกแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องละไม่ต้องคุนค <laughs> ุยแล้วหลงคือจิต น, นั่นน <laughs> ่ะมันไม่ <laughs> ม<น>รายงานแล้วครับหลวงพ่อ <laughs> <laughs> <m ine> มันผันแปรไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นั้นเองนะแค่ตรงที่เห็นว่า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 ทำเทศท่านก็ไม่เข้าใจทําไมครูบาอาจารย์ไม่ให้เทศนะนั้นพอออกมาจากหลงปูกินรีพักหนึ่งนะใจมันอยากเทศทั้งวันทั้งคืนเลยเจอใครก็จะสอนเข้าไปด้วยท่านก็เลยครูบาอาจารย์เคยเตือนเนี่ยโอ้เลยรู้ทันนี่กิเลสนะป้ารู้สึกไหมมันเริ่มฟุ้งในธรรมะต้องระวังนะมันจะฟุ้งในธรรมะแ่ะเออมันอยากพูดมันฟุ้งในธรรมะแนละ้ว อ, อ่ไม่หายแต่ว่าอย่าไปตามใจมัน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 อฟังเทปหลวงพ่อมก็เป็นสมถะแขนงหนึ่งรู้สึกว่าพอฟังเทปไปมันจิตมันก็เริ่มอมันก็เริ่มเคลื่อนไหวขึ้นมาใช่จิตมันไปติดเฉยแล้วส่งต่อส่งต่อค่ะวันนี้หนูก็ดูนิ่งนิ่งไปเยอะค่ะ <laughs> รู้สึกไหมวันนี้ใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวค่ดูออกไหมจิตใจมันกระจัดกระจายออกข้างนอกก็ให้รู้ทันมันนะ อย่าไปฝืนไม่ฝื น, น, นด้วยันไม่ฝืนค่ะวั น, นไม่บังคับแล้วค่ะแต่ว่ารู้ทันรู้ทันว่าไม่ตั้งมั่นอันนี้สมาธิมันหย่อนไปนิดนึงแต่มันจเจริญสติล้ำหน้าไป <c oughs> จเจริญปัญญารำหน้าไปตอนตอนฟัง น้องชายพูดหนูก็เบาๆพอเริ่มเด่งเริ่มเกร็งรู้เดี๋ยวมาถึงเราแน่ๆอ๋อแน่เลยแล้วเป็นไงก็ก็ก็เหมือนกับต้องนับหนึ่งตลอดเวลาน่ะนับหนึ่งนาีแล้วอย่านับสองนับสามเราเรียนจนเข้าถึงความเป็นหนึ่งนะจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งเข้าถึงความเป็นหนึ่งส่วนสองสามสี่อะไรความเป็นคู่ค่อ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 เหมือนเหมือนต้องตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นรู้สึกเออะทําเท่านั้น่อนกลับมานับหนึ่งตลอดเวลาถูกต้องเวลาเราปฏิบัตินะจนถึงขั้นละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนก็ตามเถอะทําทําไปช่วงหนึ่งทีสับสนขึ้นมางงๆแล้วทําไม่ถูกแล้วกลับมาเริ่มต้นดูกายดูใจใหม่เดี๋ยวมันมีทางออกอย่างอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะถูกถูกอย่างเหมือนเราเดินไปเนี่ยเดินไปแล้วไปชนกําแพงแล้ว กลับมาตั้งต้นเดินใหม่ทิศนี้เดินไม่ได้<ช>ก็เดินไปอีกทิศหนึ่งนะเดี๋ยวไปชนอีกละแล้ว<ช>ก็กลับมาตั้งต้นใหม่มีแต่เริ่มต้นใหม่ตลอดนะตั<ช>้งแต่ต้นจนจบของการปฏิบัติมีแต่นับหนึ่งนะไม่มีนับสองหรอก<ช> <c oughs> ถ้านับสองนับสามแล้วก็ฟุ้งซ่านลนะ<ช><ช>นับหนึ่งอนะ่ะดีล้ว<ช>ว่าไงวีนนัทนี่เปลี่ยนชื่อกับเขาบ้างป่ ะ, ะเปลี่ยนชื่อกับเขาบ้างป่ะ เปลี่ยนนานแล้วคะ่ะตั้งแต่สาวๆเพราะบางคนเปลี่ยนบ่อยจนหลวงพ่อตามไม่ทันเกเรียนถามหลวงพ่อว่าปฏิกริยาที่ที่รู้เกิดขึ้นเองชัดเจนเนี่ยพิธีพื้นฐานมามันเกิดในสมาธิเนี่ยและเวลาเราอยู่ในในขณะบึงตาเนี่ยสามารถจะรู้ได้เหมือนตอนที่เราเห็นในสมาธิไหมคะได้ได้ สามารถได้ชัดเจนแบบนั้นเลยเหรอคะคือสภาวะแห่งความตื่นรู้สึกขึ้นมานะแต่ว่าตรงสมาธิมันจะชัดกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะเพราะมันปิดทวาะอื่นไปหมดเหลือ แ, ลแต่มโมทวาะ น, นั้นเดียว <Okay. S 2> เพราะงั้นเวลารู้เวลาเห็นอะไรในสมาธิเนี่ยจะคมจะชัดนะอยู่ข้างนอกก็รู้ได้แต่รู้ได้พอดีพอดีแต่ไม่ค ม, มอย่างนั้นนะไม่แปลกอะไร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 ในขณะที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยการที่เราไม่สามารถสรุปลงไปที่ไตรลักษณ์ได้เพราะว่าปัญญามันไม่มันไม่พอมันไม่พอนะไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นปัญญารวบยอดที่เกิดขึ้นช่วขณะซะนะพอช่วงขณะก็ตัดเลยทั้งๆที่เห็นว่ามันมันชัดมันคลายมันชัดมันคลายแล้วมันยังไม่พอนะถามว่าลึกๆรู้สึกไหมว่าอยากตัดอยากตัดนะเพราะอะไรเพราะยังมีตัวเราอยู่เห็นไหม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 รู้ได้นิดๆทีละขณะสองขณะแล้วก็หลงทั้งวันครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากุศลเกิดน้อยอกุศลเกิดมากเะฉะนั้นจิตใจของคนเราส่วนใหญ่พอตายไปจะไปอบายคนส่วนมากนะตายแล้วไปอบายที่ไปแล้วมาสู่สุคติภูมิมีน้อยและจิตส่วนใหญ่เป็นอกุศลจิตแต่การที่คุณวิชาเห็นว่ามีกุศลแทรกขึ้นมาเป็นระยะระยะ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 สู้กิเลนไม่ไหวแต่กุศลจากการเจริญสติมีสติขึ้นมามีปัญญารู้ลักษณะว่าสิ่งทั้งหลายเกิดระดับนี่อา น, นิสงส์เยอะอาจจะเกิดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะแต่ทำลายอกุศล99เปอร์เซนตได้ทีนี้พอพอดูเหมือนว่าจะรู้จะรู้ขึ้นมาได้บ้างเนี่ยมันก็จะมีหลงแบบเหมือนรู้เนี่ยแบบมันจงใจนะมันจงใจจะรู้ เวลาที่จิตมันจําสภาวะรู้ได้แล้วนะมันไปก๊อปปี้สภาวะขึ้นมามันไม่ทําต้นทางคือมันไม่ดูสภาวะอยู่ๆมันก็ไปทํารู้ขึ้นมาเฉยๆอย่งนั้นใจจะทื่อๆรู้อย่างนั้นไม่แช่มชื่นนะรู้อย่างนั้นใจจะแข็งๆทื่อๆซึมๆอะไรนะลมหายใจมันจะขัดขัดขึ้นมาน่ามันอึดอัดนะเพราะมันของปลอมนี่จิตน่าร้ายที่สุดเลยจิตไม่ใช่ร้ายที่สุดแต่จิตมันโง่ที่สุดอะนะ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 ตัวตัวที่เวลาเราเร า, เารู้ถูกเนี่ยรู้ถูกเหมือนเหมือนกับว่ามันมันถูกต้องเนี่ยมันมันมีตัวปิติแวบๆเข้ามาทุกครั้งเลยเหมือนกันยังไงบางครั้งนะถึงรู้ถูกต้องมันไม่ใช่ปิติตอนนั้นตอนนั้นมันมีสมนัตเมทนาเกิดขึ้นจิตมันมีสมนัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันเป็นมหากรุสลรจิตจิตเกิดกุศล ข, ขึ้นมา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 เรื่องปฏิบัติธรรมจบค่ะกออ็อยากอยากมากราบหลวงพ่อกันก็เลยพามาด้วยอะค่ะรุ่นนี้ไม่ฉีสอนเก่งนะรุ่นนี้ไม่ติดซึมส่วนมากไปเข้าคอร์สแับมาจะซึมซึมเลยบางทีทอกีหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เออเป็นธรรมชาติอะคะ่ะคือ ดูกายดูใจโดยเฉพาะอืมดีนะหลักส่วนอย่างนี้ทําบ่อยๆแล้วก็ได้เรียนเชิญอาจารย์สุรวัตรไปบรรยายธรรมให้ครั้งหนึ่งคุณป้าปเรายาก็ช่วยแนะนำอีกส่วนหนึ่งนะเจ้าค่ะดีนะฝึกลูกสิทธิ์มาจนใกล้จะตื่นเต็มทีละนะดีแล้วแม่ชีโบทนานะฝึกลูกสิธิ์ได้อย่างนี้จิตมีปีติทราบไหมเบอร์ีอ่ะ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 ยกมือไหว้สมาธิหนึ่งชี้หน้าตัวเองผมอ่านมิมุติปฏิปทาของท่านทางอินเทอร์เนต็ตที่ผมทําอยู่นี่ถูกหรื อ, อยังยังไม่ถูกหรอกเพราะว่ายังทําอยู่ตอบแค่นี้นะอ๋อเข้าใจและวนั่งเก้าอี้คันนี้สบายใจเลยที่ไม่ถูกเพราะยังทําอยู่ถ้ายังทําอยู่ก็ไม่ใช่รู้อยู่สิ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 เคยได้ยินไหมคำว่าอัตตากริมาานุโยกไม่เคยอ่านธรรมจักกับวัตนสูตรเลยเหรอเทศนาการแรกนะซึ่งจะเทศเมื่อว <ket> <simulate> ันอาสันหาต้องผ่านมาวันสองวันธรรมจักเนี่ยพระเจ้าเทศเป็นปฐมเทศนาเทศให้พระปัญจวัคคีฟังบอกเริ่มต้นท่านไม่ได้บอกว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำยังไงท่านบอกว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทํา2ประการนะความสุดโต่สงสประการที่บรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติไม่ควรเสพมี2 อ, อย่างอันหนึ่งการสุขขันธริการนิโยค ก, การที่เราปล่อยตัวปล่อยใจไหลตามกิเลสไปแล้วจะหลงตามกิเลสไปนะใจเราหลงทั้งวันนะเช่นเดี๋ยวก็อยากดูวิ่งไปดูนี่ก็เรียกว่ า, ก า, าการสุขขันริอการนิยโยกนะคิดว่าจะเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทั้งตาแล้วจะมีความสุข บางคนก็อยากไปฟังไปฟังเพลงเพราะๆแล้วจะมีความสุขนี่เป็นวิธีหาความสุขวิธีหนีความทุกข์อย่างชาวโลกเรียกกรมสุขาริการุโยกเผลอไปใจลอยไปนั่งคิดไปแล้วก็เผลอเผลอเพลิเลเลนเพินไปนี่ตอบสนองกิเลสก็เรียกการมสุขาริการุโยคอันที่สองเรื่องอัตตกินมัฐานุโยกการบังคับตัวเองทําตัวเองให้ลํำบาก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 นี่แต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจากของจริงไม่ใช่คิดเอาไม่ได้กําหนดแต่เห็นจากของจริงๆรเนี่ยแอบไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยใจหนีไปคิดเนี่ยพอรู้สึก ร, รู้ทันว่าคิดรู้สึกไหมเหมือนมันตื่นขึ้นมาเนี่ยคือภาวะแห่งความรู้สึกตัว่ะภาวะแห่งความตื่นในโลกไม่มีคนตื่นนะต้องฟังธรรมะเพื่อตื่นขึ้นมายิ่งไปนั่งกําหนดกําหนดหวังว่าจะให้ตื่นไม่ตื่นหรอกนะ